บัณนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติในสมถกรรมฐานส่วนที่เป็นอนาปานสติกรรมฐานซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับเมื่อจิตของบุคคลตั้งมั่น เป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไปในอารมณ์ต่างๆถือว่าจิตนั้นกวนแก่การงานคือสามารถใช้ไปเพื่อการพินิษพิจารณาสิ่งทั้งหลายเห็นตามความเป็นจริงได้ข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะพึงดูตัวอย่างในชีวิตประจำวันของเราว่าความสงบนั้น ช่วยให้เสริมสร้างปัญญาภายในจิตใจของตนให้สูงขึ้นที่นววันใดก็ตามที่อารมวาวุ่นอยู่ด้วยเรื่องราวต่างๆบางครั้งบางคราวจะคิดอะไรไม่ออกยุ่งก็จริงเมื่อเช้ารับประทานอาหารด้วยอะไรยังนึกไม่เคยออกเลยแต่ถ้ายามใดที่จิตใจโปร่งเบาสบาย ไม่มีเรื่องหมกมุ่นกังวลหรือว่าตัดกังวลออกไปได้เรื่องราวที่ผ่านมาตั้งหลายปีพูดขึ้นมาภายในจิตได้ทำไมจึงพูดขึ้นมาได้เพราะเรื่องเหล่านั้นได้ถูกเก็บไว้ภายในจิตแต่ว่าถูกสิ่งต่างๆทับถมเอาไว้จึงปรากฏตัวออกมาไม่ได้แต่เมื่อบุคคลได้ เกิดความสงบขึ้นซิ่งเหล่านั้นก็ผุดขึ้นแม้แต่การทำงานในชีวิตประจำวันของคนเรื่องของความสงบมีอุปการะอย่างสำคัญทีเดียวฉันว่าบุคคลจะเจรนายเพชรหรือจะทำอะไรก็ตามจะต้องมีความสงบเสียก่อนเช่จนจะ เจรนายเพชรหรือจะตีเหล็กหรือจะทําไม้อะไรต่างตก็ตามคือสิ่งเหล่านั้นจะต้องนิ่งเสีย ก, ก่อนอันหมายความว่าต้องสงบเสีย ก, ก่อนแล้วเมื่อนิ่งแล้วต่อแต่นั้นก็จะจีรนัยจะดัดแปลงจะพลิกแปงไปอย่างไรก็ได้แต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่นิ่งก็จีรนายไม่ได้ในการจะกําหนดรู้รูปนาม หรือว่ารู้จิตใจของตนลมหายใจของตนและสิ่งอื่นๆก็ทํานองเดียวกันความสงบเป็นฐานอย่างสำคัญที่จะช่วยให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติสามารถใช้ปัญญาเพ่งพินิพพิจนาดูสังขารทั้งหลายให้เห็นตามความเป็นจริง ดังนั้นในช่วงต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายที่เป็นภายนอกบ้างคำว่ากายในกายนึ่งเป็นภาษาธรรมะที่ฟังแล้วออกจะยากแก่การเข้าใจ ในชั้นนี้ถึงเข้าใจว่ากายภายในนั้นก็คือกายเรากายภายนอกนั้นก็คือกายคนอื่นทำไมจึงต้องเห็นตั้งกายเราและกายคนอื่นก่อนเพราะเรื่องของคนเรานั้นตามปกติแล้วจิตจะกำนัดจะยึดติดอยู่ในกายตน กับกายบุคคลอื่นแต่เมื่อทําจิตใจให้มีความสงบลงแล้วบุคคลก็จะเห็นความจริงว่าทั้งกายเราและกายคนอื่นนั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่เองถ้าหากว่ากายสังขารคือลมหายใจเข้าออกไม่ปรนปลื้อหล่อเลี้ยงร่างกายเอาไว้ร่างกายก็จะต้องแตกลับไปตามธรรมดา เพราะตัวสังขารคือลมหายใจเข้าออกไม่เสริมส่งไม่ปนเปื้อนจิตที่เคยกำหนัดเคยยึดติดอยู่ในกายตนและกายบุคคลอื่นก็จะบาบางลงไปเมื่อบุคคลดูประจักษ์ชัดในจุดนี้ในชั้นต่อไปนั้นก็ให้ดูกายภายในกายภายนอกที่ตัวเอง คือคําว่ากายนั้นแปลว่ากุอายะออกมาจากคำสองคาคือกุอายะก็แปลว่ากายยะกุแปลว่าหน้าเกลียดโศกปรกโศครกปฏิกูลอายะแปลว่าแหล่งหรือที่เพรา ะ, ะนั้นคําว่ากายก็คือแหล่งหรือที่อันเป็นที่ประชุมแห่งซากศพทั้งหลายมีผมขนเป็นต้นและยิ่งไปกว่านั้น ชีวิตร่างกายของคนก็ได้รับการปรนปลือเลี้ยงดูด้วยชีวิตของสัตว์อื่นในท้องของคนเราเรียบแล้วก็เหมือนป่าช้าขนาดใหญ่ที่มีสารพัดสัตว์เข้าไปสิงอาศัยอยู่ท่านจึงแยกกายออกเป็นส่วนๆคือแหล่งที่ไม่สะอาดทั้งหลายนั้นก็แยกออกไปเป็นส่วนๆ เช่นในมหาสติปัฏฐานท่งแยกออกไปเป็นกลุ่มลมหายใจเข้าออกเป็นกลุ่มของอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนเป็นกลุ่มของอิริยาบถย่อยคือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเคี้ยวลิ้มถูกต้องคู่แขนเหยียดแขนเป็นต้นแล้วกลุ่มของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟกลุ่มของอาการ32คือผมขนเป็นต้น ให้ดูในแต่ละจุดคือหมายความว่าลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเป็นส่วนย่อยของกายส่วนใจเพราะกายนั้นไม่ได้ประกอบด้วยลมหายใจเพียงอย่างเดียว mm. เมื่อดูได้เห็นได้ก็จะเกิดความเข้าใจในกายดังที่ได้กล่าวแล้วแต่ถ้าหากว่าดูไปแล้วไม่สามารถที่จะเห็นได้ที่จะรู้ได้ ท่านก็สอนให้ดูถึงซากศพจึงสมัยโบราณนั้นก็ทิ้งกันอยู่ในป่าชา้าปรากฏตามการตามเวลาที่แตกต่างกันภาษาบาลีทั้นใช้คำว่าในป่าช้าทั้งกล่าวคือมองเห็นร่างกายของสัตว์ทั้งหลายก็ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา จนถึงกับเป็นกระดูกที่ผุปนเปื่อยถูกลมพัดกระจัดกระจายไปโยงจากจุดของกระดูกนั้นย้อนต้นเข้ามาหาร่างกายที่เปร่งปรั่งสวยงามามีน่ามินวนอยู่ในคราวหนึ่งแต่ที่จริงแล้วก็ถูกปนเปื้อนหล่อเลี้ยงไว้ด้วยลมหายใจเข้าออกแลปะปัจจัยต่างๆที่เข้ามาประกอบกันเมื่อเห็นได้เข้าใจได้ในจุดนี้ ตอนต่อไปก็ส่งสอนให้พิจารณาเห็นธรรมดาของกายธรรมดาของกายก็คือความเกิดขึ้นในกายโดยเริ่มจากจุดที่ลมก่อนจะเห็นว่าลมหายใจเข้าออกนั้นไม่ใช่ว่าแกเกิดขึ้นมาลอยๆแต่แกเกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เมื่อเราดูว่าลมหายใจเข้าออกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยท้งภายในในภายดอกงในส่วนอื่นของกายที่ไปกำหนดหมายว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจแต่ละอย่างก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยอำนวยให้เกิดใครจะบังคับกะเกณอย่างไรก็ไม่อาจที่จะบังคับได้ อย่างว่าฝนจะตกแก่มีเหตุปัจจัยจะตกใครทํำยังไงแก่ก็ตกแต่เมื่อเหตุปัจจัยไม่มีให้ตกจะอ้อนวอนจะบวงสรวงอย่างไรก็ไม่ตกนี่คือเรื่องของธรรมดาแห่งสังขารทั้งหลายว่าตามธรรมดาแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยไม่มีอะไรที่เป็นตัวยืนโดดเดี่ยวโดยไม่อิงอาศัยสิ่งเหล่าอื่น แต่จะมีความเกี่ยวเนื่องมีความเกี่ยวโยงถึงกันลมหายใจเข้าออกชั้นใดอิริยาบทก็ชั้นนั้นอิริยาบทชั้นใดอวัยวะทั้งหลายก็ชั้นนั้นอวัยวะทั้งหลายชั้นใดธาตุสี่ก็ชั้นนั้นธาตุสี่ชั้นใดอาการสิบสองก็ชั้นนั้นเราก็จะเห็นความเกิดของสิ่งเหล่านี้ว่า มันเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นบางครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการที่จะเน้นให้บุคคลทั้งหลายดูว่าร่างกายของตนและของบุคคลอื่นนั้นแท้ที่จริงแล้วมีความเป็นอันเดียวกันคือเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยอย่างที่ทรงแสดงแก่พระรูปปนนันฑา ซึ่งเป็นกนิตะพักินีของพระองค์พระเทรีมีความกำนัดความยึดติดในรูปอย่างมากจนกลัวไม่ยอมมาฟังพระธรรมเทศนาในสำนักของพระพุทธเจ้าโดยเกรงไปว่าพระพุทธเจ้าจะตำหนิร่างกายหรือจะพูดถึงความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายแต่ว่าในาที่สุดท่านก็ต้องมา เมื่อมาแล้วพระพุทธเจ้าได้บันดาลด้วยพุทธานุภาพให้กระให้มีรูปสตรีที่สวยงามยิ่งกว่าพระรูปปัณทาหลายเท่าได้อยู่ในวัยสาวอายุสิบห้าสิบหกเท่านั้นปเทรีเป็นคนพอใจในความงามอยู่แล้วเมื่อเข้ามาสู่พุทธสํานักตาก็จ้องมองอยู่ที่รูปนั้น พร้อมกับมีความรู้สึกว่ารูปนี้งามยิ่งประนีตจิงแล้วก็นึกน้อมเข้ามาเทียบกับตนก็มีความรู้สึกว่าสวยงามกว่าตนเองในขณะที่พระทัยของพระนางจดจ่ออยู่ที่รูปตาเพ่งมองอยู่ที่รูปนั่นเองรูปนั้นได้เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสาวัย1 5บ6ส จนกลายเป็นคนแก่ที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนความแก่งอมชาราเข้าตัดกรอนกลายเป็นคนแก่ที่มีอายุถึงร้อยยี่สิบปีแล้ในที่สุดก็ถูกโรคเสียแทงลง้มลงกลิ้งเกลือกด้วยทุกขเวทนาที่โรคเสียดแทงในที่สุดก็สิ้นใจศพเริ่มพองอืดตืดจางเร็วและปรากฏ ในความในสายตาของพระนางว่ามีแรงลงกินทากศพเหล่านั้นตึงกระบังผุเปื่อยอยู่พระไทยของพระนางก็เริ่มสลดไปสลดไปสลดไปโดยดำดำับพร้อมที่จะรับฟังเหตุผลความจริงถึงกายตนและกายบุคคลอื่นที่เคยยึดเคยติดอยู่ว่า โดยสภาวะที่แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยพระทายของพระนางพร้อมที่จะฟังเหตุผลพระพู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งว่านันทาเอ่ยเธอจงดูร่างกายนี้อันเดือดร้อนกระสับกระส่ายเป็นที่ปรารถนาของคนผ่าน มีปกติหลายข้าวไหละหลออกอยู่เป็นนิดร่างกายนี้เช่นใดร่างกายเธอก็ฉันนั้นร่างกายเธอก็เช่นใดร่างกายนี้ก็ฉันนั้นเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทตามความเข้าใจในกายนี้แล้วถอนตัณหามานะที่เคยมีอยู่ออก จากจิตได้ได้ต่อแต่นั้นก็จะไม่ยึดถืออะไรนี้ก็เป็นแนวที่อาศัยรูปเข้าช่วยเพราะพระนางติดยึดอยู่ในรูปมากเกินไปแต่ว่าภาพเช่นนั้นไม่ใช่เป็นภาพที่หาดูได้ง่ายบางครั้งคนดูถ้าจิตไม่ดีหรือพื้นบารมีไม่สูงพอ กว่าจะตกใจขว่ญเสียไปก็ได้แต่เมื่อปรับจิตมาอยู่ในจุดดังที่กล่าวแล้วเนี่ยบุคคลจะบุคคลจะเห็นความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตเรานั้นถูกกาละมังขวางไว้เท่านั้นเองจากจุดเกิดถึงจุดดับนั้นถูกขวางไว้โดยกาละทำให้บุคคลมีความสำคัญมั่นหมายคล้ายๆกับว่าร่างกายนั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอน แต่แท้ที่จริงแล้วเราตายอยู่ทุกขณะเลยส่วนหนึ่งของร่างกายได้ตายอยู่ตลอดลมหายใจที่ออกไปก็ชื่อว่าตายไปแล้วผมที่หลุดไปก็ชื่อว่าตายไปแล้วผิวหรือว่าเซลล์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในร่างกายซึ่งตายไปก็ถือว่าแต่ละจุดนั้นได้ตายไปแล้วสำนวนาศาสนาท่านเรียกว่าเป็นคณิกะมรณะ คือตายอยู่ทุกขกณะแต่เนื่องจากมีความเกิดสืบเนื่องหนุนเนื่องกันมาเรื่อยๆมันเหมือนกระแสน้ำกระแสน้ำที่จริงแกไหลกันอยู่ตลอดแต่ทำไมดูแล้วน้ำยังเต็มอยู่เลยก็เพราะน้ำทางเหนือแกไหลตามพอกมาไหลแล้วแกก็ไหลเลยไปไม่ได้ไหล ย, ย้อนกลับมาอ ชีวิตของคนเราก็มีลักษณะอย่างนั้นส่วนต่างๆรูปร่างต่างๆที่เคยมีอยู่เคยปรากฏอยู่ในอดีตได้ดับได้เปลี่ยนแปลงได้เสื่อมไปแล้วในอดีตแล้วก็จะไม่กลับมาอีกแต่การจะคิดเห็นได้เช่นนี้ต้องอาศัยสมาธิเป็นผ่านคือใจจะต้องสงบจะต้องเพ่งพินิจ ดูไปคิดไปพิจารณาไปและพยายามดูไปเป็นจุดๆอยจางที่ทรงแสดงว่าให้ดูที่ความเกิดก่อนมองดูที่ความเกิดว่าทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นได้ลอยๆไม่ว่าจะเป็นนามหรือเป็นรูปกระดับสังขารทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย พอต่อแต่นั้นก็ให้ดูความเสื่อมที่ปรากฏอยู่กับร่างกายเราดูที่ลมหายใจเข้าออกมาก่อนเนื่องจากว่าตัวลมซึ่งเป็นอารมณ์เริ่มปฏิบัติไดแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมที่ปรากฏอยู่เห็นว่าครั้งแรกก็ดูที่ลมหายใจเข้าออกยาวสั้นดูไปดูไปลมละเอียดเข้าละเอียดเข้า เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนบางจังหวะบางโอกาสลมหายใจก็คล้ายๆหายไปนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมของร่างกายเพราะลมหายใจเข้าออกก็เป็นกายส่วนหนึ่งเป็นกายส่วนย่อยในกายส่วนใจและโยงก็ไปหาที่อื่นมันก็อยู่ในสภาพอย่างเดียวกันจะมีความเสื่อมอยู่ตลอด ถ้าดูเห็นชัดถึงความเสื่อมที่ปัจจัยของการเกิดมันอ่อนเพราะฉะนั้นเวลาดำรงอยู่จึงเสื่อมเร็วอย่างเช่นพวกไอศครีมพวกน้ำแข็งปัจจัยการเกิดการดำรงอยู่ก็ น, น้อยเวลาเจอปัจจัยภายนอกเกิดเสื่อมกันเร็วชีวิตคนก็มีลักษณะอย่างนั้น แต่ว่าปัจจัยการเกิดการดำรงอยู่ของคนมันสลับซับซ้อนมากกว่าจึงดูแล้วคล้ายๆจะดำรงอยู่นานแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วก็เกิดดับเกิดดับกันอยู่เรื่อยไปก็ดูที่ความเสื่อมในส่วนนี้เป็นความเสื่อมแล้วมันเป็นยังไงคล้ายๆกับบุคคลที่อยู่ภายในบ้านมองดูบ้านของตนในขณะที่ถูกไฟไหม้อยู่ ในชั้นแรกอาจจะรู้สึกตกใจเป็นห่วงเป็นยายอยู่แต่เมื่อแน่ใจว่าช่วยอะไรไม่ได้โอกาสต่อไปคนจะไม่คิดที่จะรักษาบ้านไว้แต่พยายามจะเอาสิ่งซึ่งมีค่ามีประโยชน์ออกมาจากบ้านให้ได้ชีวิตของคนเรามีลักษณะอย่างนั้น เราเกิดมาก็เหมือนกับบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้ความเกิดทรงชีวิตให้ใกล้ความแก่เข้าไปและช่วงจากเกิดถึงช่วงดับนั้นนอกจากแก่แล้วยังมีราระพยาธิคือโรคภัคยใกล้เจ็บเข้ามารานและในที่สุดในความเจรานั้นจะขับต้อนชีวิตของคนเข้าไปสู่บรรณะคือความตาย ชีวิตของคนที่เกิดมาในโลกจึงเปลี่ยนเป็นเหมือนกระโคกระเบือไกยสุกรที่ถูกนำไปสู่โรงฆ่าสัตว์ทุกครั้งที่ล้อหมุนทุกครั้งที่ย่างเท้าก้าวไปอันตรายคือความแตกขาดแห่งชีวิตกำลังจะปรากฏขึ้นเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่า นายโคบานต้นโคไปสู่ที่หากินเช่นใดความเกิดความแก่และความเจ็บต้นชีวิตสัตว์ทั้งหลายเข้าไปสู่ความตายเช่นเดียวกันฉทนั้นเมื่อบุคคลมองเห็นความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏอยู่ในร่างกายในชั้นของการดำรงชีวิต บุคคลจะมองหาอะไรว่าเป็นสาระที่แท้จริงและจะรีบหยิบฉวยสิ่งที่เป็นสาระแน่นอนการจะหยิบสัวฉวยสิ่งที่เป็นสาระออกมาจากบ้านซึ่งถูกไฟไหม้อยู่นั้นสติสัสมปชัญญะเป็นอุปการะมากทีเดียวเพราะมีอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยที่คนวิ่งไปภายในบ้านซึ่งกําลังไฟไหม้อยู่ ตั้งใจจะหยิบของมีค่าแต่สติสัมัญชัเยะมันขาดตกใจเกินไปตื่นเต้นเกินไปหวาดกลัวเกินไปก็ไปหยิบสิ่งที่ไม่มีคุณค่าอะไรออกมาบางทีก็ไปหยิบแบกตุ่มน้ำออกมากทั้งๆ ท, ท, ที่เงินทองมีเยอะไม่ยอมหยิบออกมาชีวิตจริงแล้วเป็นเช่นนี้ในการปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่หากว่าคนเราไม่มีสติระลึกรู้ ไม่มีปัญญาเข้าไปพินิพิจ า, าจรณาริ่งทั้งหลายก็จะกลายเป็นคนมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระคือมองกลับกันมองสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระมองสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระแล้วในที่สุดก็จะคว้าหยิบเอาสิ่งซึ่งไม่เป็นสาระ โดยความหลงโดยความเข้าใจว่านี่คือสาระแกนแท้ของชีวิตบุคคล น, น, น, นั้นก็จะไม่มีอะไรแต่ถ้ามีสติมีสัมปชัญญะระลึกรู้แยกแยกเหตุผลได้ก็จะมองเห็นว่าสีนันคือสาระสมาธินั่นคือสาระปัญญานั่นคือสาระจิตใจที่สามารถตรุดพ้นจากอำนาจอารมณ์ จากอำนาจของกิเลสทั้งหลายแม้ให้เกิดขึ้นได้ให้ดำรงอยู่ให้เป็นไปได้เพียงช่วขณะช่วงขณะก็ถือว่าเป็นสารอย่างหนึง่งความกระตือรือร้นที่จะเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อจะสร้างสิ่งที่เป็นสารในชีวิตอันอาจจะติดตามตนไปได้ในสัมปราชพุทธภายภาคหน้าก็จะปังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นในชั้นของกุศลในชั้นของศีลธรรมจัญญาเนี่ยจิต ท, ที่สงบเป็นสมาธิจนถึงใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแบบวิปัสสนากรรมฐานก็จะหนุนช่วยการปฏิบัติศีลธรรมของบุคคลให้มีความสะอาดมีความประณีตยิ่งขึ้นเพราะมองเห็นได้โดยท่องแท้ว่าอะไรคือสาระที่แท้จริงและอะไรคือสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ก็จะลีกเลี่ยงสิ่งซึ่งไม่เป็นสาระพยายามหยิบฉวยสิ่งซึ่งเป็นสาระให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในชั้นของวิปัสสนาปัญญาจริงๆเมื่อบุคคลมองเห็นถึงความเกิดมองเห็นถึงความเสื่อมไปและในชั้นต่อไปก็ดูทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็จะเห็นว่าชีวิตมีความแตกตับแตกตับแตกตับอยู่ตลอดเช่นเดียวกับกระแสฟไฟ ที่เรามองเห็นว่าสว่างสืบต่อกันไปนั้นแต่จริงแล้วไฟเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดแต่เนื่องจากสัน ต, ติคือความสืบต่อดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วคือคนเลยมองเห็นคล้ายๆกับว่าไฟนั้นยังคงสว่างอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเมื่อเห็นได้อย่างนี้็นแนวความคิดที่ว่ากายไม่อยู่ ยอมรับถึงความมีอยู่ของกายแต่ยอมรับในแง่ว่ากายนี้เป็นแหล่งสะสมสะสมหมักหมมไว้ซึ่งของที่ไม่สะอาดต่างๆเกิดขึ้นดำรงอยู่ได้เหตุปัจจัยยอมรับว่ากายมีอยู่จริงแต่มีอยู่สําหรับเป็นเครื่องอาศัยแต่ละท่า น, นคนจําเป็นจะต้องอาศัยกาย คล้ายๆกับว่าตนตกอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรจำเป็นจะต้องช่วยตนให้รอดพ้นจากอันตรายให้ได้แม้จะคว้าจับสิ่งสกปรกอะไรซากศพอะไรก็เกาะไว้ก่อนแต่ไม่ใช่เป็นการเกาะไว้เพื่อยึดเพื่อติดเกาะไว้เพื่ออิงอาศัยเทนั้นเวลาจะขึ้นฝั่งถึงฝั่งก็ต้องทิ้งกายใน ทิ้งซากศพเหล่านั้นที่เกาะที่ยึดไปจึงทรงสแสดงไว้ว่าก็รู้สติว่ากายมีอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นเพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกยอมรับความมีอยู่ของกายแต่ยอมรับในฐานะ เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยตนจะต้องอาศัยเรียนรู้จะต้องอาศัยระลึกอาศัยการน้ประกอบคุณงามความดีละในที่สุดความรู้สึกของของเราไม่ว่าจะเป็นอะไรของเราก็ตามก็จะไม่บังเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคล้นคือพร้อมที่จะรับสมมุติและพร้อมที่จะเผชิญหน้าความจริงอย่างแท้จริง ในชั้นของการดำรงชีวิตพ่อแม่ลูกสามีภรรยาสามีจะต้องปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไรก็นี่คือขั้นสมมติจะต้องปฏิบัติให้ได้จะต้องแสดงให้สมบทบาทแต่เมื่อความแตกดับปรากฏขึ้นความเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นก็ต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งซึ่งจะต้องแตกดับเป็นธรรมดาได้แตกดับไปแล้ว สิงซึ่งมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดานั้นได้ปรากฏความไม่เที่ยงให้เห็นแ้วเมื่อเข้าถึงความจริงเหล่านี้ไปจิตที่เคยไขว้คว้าเคยยึดเคยถือว่าของเราของเราของเราก็จะเบาบางลงไปรู้จักปล่อยบ้างรู้จักวางบ้างความสุขทางใจก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การรปฏิบัติ ข้อนี้ท่านได้แสดงไว้เป็นคำกลอนว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรอือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์ดนาเพราะฉะนั้นวิปัสนาปัญญาคือการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงในแง่ของเหตุปัจจัยในแง่ของความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง อยแง่ที่ดำรงอยู่ได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวจุดหมายปลายทางอยู่ที่การปล่อยวางความยึดความติดด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิก็จริงอยู่แต่พื้นฐานความเข้าใจที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นริงมากเท่าไร่ความยึดความติดด้วยอำนาจตัณหามานะก็จะบาบางลงไปความโปร่งเบาความสบายก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคล สามารถปฏิบัติตนให้คล้อยตามให้เหมาะควรแก่กาลาแก่โอกาสแก่บุคคลเล่านันตามหลักที่ส่งแสดงไว้ว่าธรมานธรรมปฏิบัติคือจะปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมซึ่งปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นๆการสัมผัสผลจากธรรมที่บุคคลได้ลงมือประพฤติปฏิบัติก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหต ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป